เราเตรียมตัวสวดมนต์ธรรมยินพร้อมแล้วกราบ3ามครั้งกราบกราบ ระหังสัมมาสัมพุโทโธอัปขะวางพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันดาเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธ an. ังภควัตังภพิวาณ therefore าพเจ้าภพิวาณพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวนขันตุนภควัตานธรรมม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนัมนสสามีขาบเจ้านัมสการพระธรรม สุปฏิปโนมหังคาวันโตวนสาวกสังคอนพระสงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนมามีคาบเจ้านอบน้อมพระสง เปิดหนังสือไปหน้า47ภาค4บทพิจารณาประจำวันท่านธรรมยังทาตุปัจจเวกนาปาทั้งพนามเสมยานท้าปัจจะยังบาวันธมานังทาตุมัตรม เ, เวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสากวารทานตามธรรมชาติเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เหนืองนิดอยาทิทางจีวรังตตุปพุญชะโกจะปุขคโลสิ่งเหล่านี้คือจีวรและคนผู้ใช้สอยจีวร น, นั้นธาตดุม ต, ตะโกเป็นสัาวะฐานตามธรรมชาติ นิสตโตไมีได้เป็นสตว่อันยังยืนนิชีโวมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยวางเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสัพพานิปนาอิมานิชีวะรานิอชิคุชนิญาณี ก็จีวรทั้งหมดนี้ไม่เป็นของนาเกียรติมาแต่เดิมที่มังผูติกายังปัตวากรันมาถูกเข้ากับกายอันเนาอยู่เป็นนินี้แล้วอติวิยาจิกุชนิยานิชายันติ ยอมกลายเป็นของนาเกียรติอย่างยิ่งไปด้วยกันญาตาปัจจยังปรวตมามนังดาตุมตาตเมเวตาสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าถ้าตามธรรมชาติเท่า น, านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดิาติทางบินบาโตตตุปบุญชะโกชะปุคโรสิง เหล่านี้คือบินทบาทและคนผู้บริโภคบินทบาทนั้นธาตุมรตโกเป็นสักวาธาตามธรรมชาตินิสัตโตมิได้เป็นสัตวันยังยืนนิชีโวมิได้เป็นชีวนันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยวางเปล่าจากความหายแห่งความเป็นตัวตน สาโพปนายังบินทบาโตชิคุชนิโยนก็บินทวาททั้งหมดนี้ไม่เป็นของนาเกลียดมาแต่เดิมอีมังพุติกายังปัตตวนันครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้ว อ, อาติวิยาชิคุชนิโยชายติ ยอมกายเป็นของนาเกียิอย่างยิ่งไปด้วยกันยาถาปัจจะยังบวตธรรมานางังธาทุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักวาธาตาธรมธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไตตามเมตตามปัจจัยอยู่เหนือนี้ ยาดิทางเสนาสนางังทตุตปปุญชะโคจะปุขลนสิ่งเหล่านี้คือเสนาสนาและคนผู้ใช้สอยเสนาสนานั้นทาตุมัตะโกเป็นจกักรวาธาตามธรรมชาติ นิสัตโตมิได้เป็นสัตว่าอันยังยืนนิชีวามิได้เป็นชีว่าอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยวางเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสาบานิปนัญมานิเซนาสนานิอาชิุคชนียานิ กเศนาสนะทั้งหมดนี้ไม่เป็ น, ปนของนาเกียรติมาแต่เดิมนี่มัง่งปุตกายังปัตตวานครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเอาอยู่เป็นนิดนี้แล้วอดิวิอาจิคุชนิยานิชายันติย่อมกายเป็นของนาเกียรติอย่างยิ่งไปด้วยกัน ยาธาปัจจะยังปาะวัติมานังธาตุมัตต์เเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นจากว่าธาตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนื่องนี้ติยาติทังกิราณปัจจยาเพสราชาปริการโอตูปพุญชโกจะภูุขโร้ สิ่งเหล่านี้คือเพศสัตว์บริขารอันเกือ้อกูลแก่คนไข้และคนผู้บริโภคเพศสัตว์บริขาร น, นั้นธาตุดุมตะโกเป็นสกุาทาตตามธรรมชาตินิสัตโตมิได้เป็นสัตวะอันยังยืน นิชิวมิได้เป็นชีวาอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยวางเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสาบโอปัญญายังคิราณปัจยจเพสัจจปริกาโรอาชิกุชนิยน ก็คิดลาณเทศสัตบริขารทั้งหมดนี้ไม่เป็นของนาเกียริมาแต่เดิมที่มังบุติกา ย, ยังปัตวังครันมาถูกเข้ากับกายเอเนาอยู่เป็นนิดนี้แล้วอติวิยาชิโคชนิยอชยาติย่อมกายเป็นของนาเกียริอย่างยิ่งไปด้วยกัน น่าฮสิตัง้งคณิกปกับเจ้าเวกนัะ หันธรรมยังตั้งคณิกปัจเวเอกณาปาทั้งพนามเสวมปติสังขยโยนิโสชีวรังปฏิเสวามีเเรายอมพิจารณาโดยแยบขายและลูนุ่มจีวรยาวเทวาสิตาสปฏิคาตายามเพียงเพื่อบำบัดความหนาว วนัสปฏิาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสัมกาสวาตตาสิริงสบสัมปัสนางปฏิาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลาย ยาวาเทวาอิริโกบินาปฏิชาธนทังและเพียงเพื่อปกปิดดวัยวาอันให้เกิดความร้ายปัิที่สังขายนิโซบินดาภาตั้งเบิเสวามีเรายอมพิจารณาโดยแยบขายแลวขันบินเทบา เนวัตวายามไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนมาธาญามไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนมันดนายามไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายามไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง ยาวเท ว, วิมาสากายสติยามแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนิ้ยาปนายามเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภามวิหิงสุบรติยามเพื่อความ<ว>สิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมจริยนุคายาม เพื่ อ, อนุค้อแก่การประ พ, พรฤติพรมมจารย์อิติภุรานันจเวทนาปฏิยังขามีด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความเหวนวันจะเวท น, นาณอุปาเทสามีและไม่ทำทุกขเวทนาไม่ให้เกิดขึ้น ยาตราชเมภวิสติอนวนาจตาจพาสุวิหารโราติหนึ่ ง, งความเป็นไปโดยสลวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพาสุขด้วยจากมีแก่เราดังนี้ ปฏิสังขารโยนิโสเซนาสนังปฏิเสวามีเราย่อมพิจารณาโดยเย็บไขแล้วใช้สอยเสนาสนัยาวเทวาสิตัสปฏิคาตาญาณเพียงเพื่อบำบัดความหนา อนสัสปติคาตาญาณเพื่อบำบัดความร้อนทั้งสมงกสวาตาตถาสิริงสปัสัมภัสสนังปฏิคาตาญาณเพื่อบำบัดสัมผัสดันเกิดจากเลือดยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลาย ยาวาเท ว, วาอุตุปริศยาวินโนทนาปฏิสันลานารามทางังเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่รีเกรนสำหรับภาวนา ปฏิสังขายโอนิโซกิลาณะปัจจยาเพศสัจปาลิการังปฏิเสวามีเราย่อมพิจารณาโดยเยมบขายแล้วบริโภคเสพศบริคานอันเกื้อกูลแก่คนขายยาวะเทวาอุปันันเวยาปฏิกานังเวทนานเวปฏิกาตายา เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาตต่างๆเป็นมูลอาพยญาปัจจายรมตายาทิเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียเดเบียนเป็นอย่างยิง่งดังนี้เปิดไปหน้าหาสิบสนะปัญจพินหาปัจเวก ชราธรรมโมหิชรังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหีพยาธิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ ม, ร ณ, ร, ม, ม, มรณาธรรมมีมรณังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดามจะล่วงพนความตายไปไม่ได้สาเพหิเมปิเยหิมนาเพหินานาพาโววินาพาโว เราจากพระพรจากของรักของชอบใจทั้งหลายกรรมสะโกมเีเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาทรเราจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมโยนีเรามีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมพันธวเรามีกรรมเป็นเผ่าพัน กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริสามีเราทำกรรมไดไว้กันละยานังว่าปาปกังวาเป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตามตาสาธายโทภิสสามี เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังอำเหี้ยอภินังปัจจเวกิตภางเราทั้งหลายพึงพิจารณาเนื่องๆอย่างนี้แลมหน้าห้าสิบห้าปปะกิตาภินาปั จ, จเวกปาถะ ท่านธรรมยังปะพิิตตอภินาปัจจเวคณาปาทั้งพนามเสมนาสาอิเมพิกเวทธรมปปะพิจเตนะอภินังปจจเวคิตาพังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสิบประการเหล่านี้มีอยู่เป็นธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาใายแจ่มชัดอยู่นหนืนี กตเมธาสารทำสิบประการเหล่านี้เป็นชนายเววันนิยมีอาจชุปกจโติปภาปิเตนาอวินังปัจเวกิตภพังบันพรชิตควรพิจารณาเนืองหนึ่งว่าเรามีเพศต่างจากขารหัดแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะ เราต้องทำบาการกิริยานั้นปาราปฏิพธาเมชีวิกาติปภาชิเตนะพินังกัจเเวกิตภาภามบรนพะชิตควรพิจารณาเนื่องเนื่องว่าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย รันโยเมอากโปการณิโยติปปัจจิตเตนะวินังปัจเจเวกิตภังบนันประจิตควรพิจารณาหนึ่งเนียงว่าอาการกายว่าใจายอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกมิใช่เพียงเท่านี้ กัจจินุโคเมตตาสิรโตนาอุปวัตติติปปัจิเตนาภินังพระเจ้เอกิตาพังบันประจิตควรภิจารณาหนึ่งเนืองว่าตัวเราเองที่เทียนตัวเราเองโดยสินได้หรือไม่ กาจีนุโคมังอนุวิจาวิยุสัพพมจารีศิรโตนาอุปวัตันติติปปะจิเตนาปินังปัจเวกิตาภังบันปะจิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเมื่อกล่าวโดยสิ้นแล้วเพื่อนสัพพมัจารีที่เป็นวิญญูชนใกล้ควรแล้วติเตียนเราโดย สินได้หรือไม่สาเพหิเมปิเยหิมนะเปหินานาภาโววินาภาวติปปะจิตเตนาพินังปัจเจเกิตภพังบันปะชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเราจาพระพละดพลากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น กรรมสโกมีกรรมทายโทกรรมโยนิกรมมพันธุกรรมปฏิสารโนยังกรรมังกริสามีกัญญาหนังวาปะปกังวาตาสามทายโทพวิสามีติปะปะชิดเนนอาภินนังปัจเวกิจภาพกันพระชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีกรรมเป ของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมบันไดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม เราจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นการรมพู้ตัดสะเมรตินทิวาวิติปตันติติปะปะชิตนารพินังปจัจเเวกิตาภังการคัดิตควรพิจารณาเนียงเนียงวา่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ การจีนุโคมสุสัญยาคาระอาภิรามีนิติปปะจิเตนะอาภินังกัจเจเอกิตพภาม มันปรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่อดีินุโคเมอุตตริมนุสธรรมะอารามาริยญาณัตสนาวิเศษโสอติคตโตโสหปัจจิเมกาเรสพามจารีหิปุโทนมังคุภวิสัมมิติปปัจจิเตนะอภินัง ปัจเวกิตภาพบันทชิตควรพิจารณาหนึ่งเนื่องว่าญาณทัศนาอันวิเศษควรแก่พระอริยเจ้าอันเป็นธรรมันิ่งที่เราได้ถึงแล้วมีอยู่หรือไม่ เราจะไม่เป็นผู้เกิ้เผิอเมื่อถูกเพื่อนสะพรมมจารีด้วยกันทำในการภายลังอิเมคโคภิกเวทัสสะธรรมะปปจิเตนะพินังปัจจเวกิตาพายดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสิประการเหล่านี้นี่แรงันบรนปะจิตควรพิจารณาให้แจ่มชัด อยู่ในมิ ต, ติด้วยอาการอย่างนี้แล้ว ห, ห้าห้าสิบเจ็ดสามเินสิกขาอนุ ญ, ญาสิโคผักวามผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตไว้แล้วแล สามนเณรานังตัสสะสิกขาประธานีซึ่งสิกขาบทสิประการนแกสามนเณรทั้งหลายเทสุจ่าสามนเณรเรหิสิกิตวงและเพื่อให้สามนเณรศึกษาในสิกขาบทเหล่านี้คือ ปานาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอาินาธานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วพระมจริยาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการกระทำอันมิใช่พรหมจรรย์ มุสาวาทาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริงสุราเมรยามัจจาปมาธถนาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการเสพของเมามีสุราและเมรัยเป็นตน้นยันเป็นที่ตั้งของความประมาท วิกาลโภชนาเวรมนีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล นาจักิตาวาติตาวิสุทัสสนาวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฟ้อนรามการขับเพลงการดนตรีการดูการเล่นชนิดที่เป็นคาสิคตกุศุลมาลาการตาวิเลปนาธารณนามณนาวิภูสนานาเวรมณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการทัดทรงสวมใส่การประดามการตกแต่งตนด้วยพวงมาลัยด้วยเครื่องกินและเครื่องพัดทาอุจจะเสยนามหาเสยนาเวรามณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ ชาตารูปราชิตาปฏิกานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการรับเงินและทองอนุญญาสิโคภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วแหลท้าสัยอังเคหีสมนากตังสามเนรังนาเสตุง เพื่ อ, อยังสา ม, มเห็นผู้ประกอบด้วยองคสิบเหล่านี้ให้ชิบหายเสียกาตามิยิทัสนิองคสิบคืออะไรบ้างปานาติปาติโมติ สามนเณรเป็นผู้ชอบฆ่าอดินาทายโหตีมเป็นผู้ชอบถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วถ้าพระมจริโหตีมเป็นผู้ชอบกระทำในสิ่งอันมิใ ช, ช่พรหมจรรย์โุสาวาทิโหตีมเป็นผู้ชอบพูดคำไม่จริง มัจปาเยโหติเป็นผู้ชอบเศษของเมามีสุราและเมไรเป็นตน้นอันเป็นที่ตั้งของความประมาทพระุทัสสาวนังภาสติมเป็นผู้ชอบเ่าวติเตียนพระพุทธเจ้าธรรมสาวนังภาสติมเป็นผู้ชอบเ่าวติเตียนพระธรรม สังคัสอาวันังพาสติมเป็นผู้ชอบกล่าวทิเตียนพระสงค์มิชาติจิโกโติมเป็นผู้มีความเห็นผิดจากพระธรรมวินัย ภิกษุนิทุสโกติมเป็นผู้ชอบประทุษร้ายนางภิกษุณีรอนุญญาสิโคภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วแลอิเมยิทัสญีอังเคหิสัมมนาคตังสัมมเนรังนาเสตุนติ เพื่อยังสามเณรผู้ประกอบด้วยองค์สิบเหล่านี้ให้จิบหายเสียดังนี้อนุญญาสิโกผัขวานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วและปัญจหิอัมเคหิสมณะคตาสสามเณรราสะดันดกรรมกาตูง เพื่อทำดันฑ ก, กรรมคือลงโทษแก่สามนเณรผู้ประกอบด้วยองค์หนี้กาตเมหิปัญจะหิองค์หนมีอะไรบ้างพิกูนัลลาภายาปาริสักติคือสามนเณรเป็นผู้พยายามทำให้พิกูเสียมจากลาบที่ควรจะได้ พิค an ูนังอนัทยาปริสักติมเป็นผู้พยายามทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายพิคูนังอวาวาสายาปริสักติมเป็นผู้พยายามไม่ให้ภิกษุอยู่ได้อย่างสงบพิคูอโกสติปริภาสติ เป็นผู้พยายามด่าว่าร้พิษูจทั้งหลายพิคุพิกคุนิเพเทหิมเป็นผู้พยายามพูดยุยงให้พิสูุแตกสามขีกันอนุญาสิโคปกวาพระผูมิพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วแล อิเมยปัญจยหิอังเคหิสัมมาคติสสสมเนระสันถกรรมังกาตุนติเพื่อทำดัณฎกรรมแก่สมเนผู้กระทำความผิดอันประกอบไปด้วยองค์หาเหล่านี้ดังนี้